สนะส่ธรรมเรื่องติดตามรอยบาทพุทธะขณะล้างจานโดยอาจารย์โกวิศอนเน ก, กชัยเขมานันทะวันที่18มิถุนายน2538เราพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีนะครับว่ามนุษย์ในครั้งดึกดํำบั น, เ, นเริ่มมีความคิดคำนึง ถึงศาสนธรรมถึงอำนาจที่ครอบครองจักรวาลชีวิตและสร้างสรงสสปปรค์สรรพสิ่งเมื่อประมาณสี่พันกว่าปีที่แล้วมีภาพหินสลักเป็นรูปของสมัยนี้เราเรียวกว่าลือสีหรือโยคียืนนัมือไขว้และดูเหมือนจะลำพึงถึงอะไรเบื้องบนที่จริงนั้น คำว่าลือศีซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตเช่นเดียวซึ่งเป็นศัพท์เดียวคำว่าอิศีเป็นภาษาบาลีแปลวาผู้แสวงหาครับวัตถธรรมของการแสวงหาสิ่งสูงสุดเมื่อ 4,000 ปีนั้นได้กลายเป็นรากฐานทางอารยธรรมของชนชาติทางตอนออกหรือที่เรียกว่าบุรพทิศ มีข้อสังเกตซึ่งจะถือเป็นสิ่งน่าประหลาดพิสดารหรือเป็นเรื่องธรรมดาก็ย่อมได้ครับว่าพระาศาสดาทุกพระองค์เท่าที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้นั้นล้วนแล้วจะเป็นชาวบุรุษพระทิทั้งสิ้นแม้แต่องค์พระเยซูก็เป็นชาวตัวนอกคือตัวออกกลางถ้าเราค้นหาสาเหตุเล็กน้อยครับ หมายว่าไม่สู้สำคัญอะไรนะแต่เพื่อเห็นเข้าเงื่อนว่าซีกโลกตวันออกนั้นที่เรียกบุรพทิศหรือที่เรียกเอเชียซึ่งน่าจะมาจากคำว่ า, าอุษาพื้แดนที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนอุ ด, ดมมาด้วยแสงแดดเจอจ้าในขณะซีกโลกตวันตกหนาวเย็นโดยเฉพาะตวันตกตอนเหนือ บรุรพทิ์เอื้ออำนวยให้ผู้คนใช้ชีวิตในกระแสธรรมชาติได้อย่างง่ายดายทั้งนี้ใช่ว่าประเทศอินเดียซึ่งเป็นแหล่งอาธรมโบราณนั้นจะไม่มีความหนาวเย็นแต่แท้ที่จริงแล้วตอนเหนือของอินเดียหนาวจัดมากแต่พวกลุสีหรือผู้แสวงหาหรือที่เรียกว่าโยกีนะีก็ได้ผู้แสวงหาสิ่งสูงสุดเหล่านี้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 แท้ที่จริงถ้อยคำที่เรียกว่าภิกษุในภาษาสันสกฤตนั้นภิกขุหรือภิกษุนั้นเป็นศัพท์เดียวคาเบกาซึ่งแปลว่าผู้ขอแต่ผู้ขอในที่นี้นั้นมีหลายประเภทมากครับประเภทที่ขอเพราะร่างกายที่คนพิการหรือบางประเภทมีการตอบแทนเรียกวั น, นิพก บ, บ้างปฏิคาหกบ้างเช่นล้องเพลงให้ฟังแต่สาหรับภิกษุ ผู้ขอนั้นเป็นผู้ขอที่พิเศษกว่าประเภทอื่นขอด้วยอาการสงบสันติเมื่อไม่ได้รับอาหารก็ไม่แสดงอารมณ์รักหรือชังหรือโกรธชอบหรือไม่ชอบผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตคนตนออกโดยเฉพาะชาวตนตกตอาจจะมุนง ง, งงก็ได้ครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิเลย์เซ มหาลัยเจ็ดขาบสมุทรซึ่งได้รวบรวมนักศึกษาจากทุกทุกประเทศไว้เรร่อนไปเจ็ดขาบสมุทรมีครั้งหนึ่งอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นชาวตะวันตกได้แสดงมติาทากฐางวิถีชีวิตของคนตะวันออกให้นักศึกษาตะวันออกฟังในที่นั้นมีนักศึกษาไทยอยู่ด้วยครับผมทราบมาว่านักศึกษาไทยไม่อาจตอบโต้ ข้อเยอะเยอยนั้นได้เมื่ออาจารย์เขาเยาะเยอยว่าทางต้นออกมีบุคคลที่น่าอุดสูอยู่เพศหนึ่งก็คือกรอนผมผมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองก็ตื่นเช้าก็ถือหม้อเขาใช้คาว่าหม้อเขาไม่รู้จั ก, กคืิบาทออกไปเที่ยวขออาหารแล้วคนชาวบ้านอาหารให้แล้วยังยกม้วนไหวกราบแทะเท้าซึ่งเป็นเรื่องน่าอัปอายศมากเขามองด้วยสายตาของนัก เสศายมองด้วยสายตาของความเป็นธรรมตามทัศนะของเขาในชั้นเรียนนั้นมีนักศึกษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาวพุทธเขาลุกขึ้นตอบโต้ทันทีเป็นเหตุให้อาจารย์เจ้าของวิชานั้นเงียบงงและเริ่มต้นศึกษาใหม่ต่อวิถีชีวิตทัศนคติความคิดนึกของคนตดนอกนักศึกษาญี่ปุ่นคนนั้นบอกว่าเป็นความเชื่องคนโดนอกที่ว่า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 ผมออกวุฒใหม่ๆเมืม่อสามสิบปีที่แล้วนะครับคําถามแรกที่ผมถามท่านอาจารย์สวนโมกผมถามท่านสั้นๆว่าตอนนั้นผมยังเป็นครูสอนหนังสืออยู่ถามท่านว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วคือทําอย่างไรผมยังจําภาพวันนั้นได้ท่านพายมือออกทั้งสองข้างแล้วท่านบอกผมว่าไม่เอาอะไรเลย ซึ่งเปนเดียวผมสะทกสะทาและกลัวมากกับต่อการไม่เอาอะไรเลยเพราะตอนนั้นฐานุองความเข้าใจชีวิตยังไม่พอที่จะรับที่จะเปชิญหน้ากับถ้อยคำอันจงเป้าที่สุดไม่เอาอะไรเลยทราะว่าอย่างนั้นผมตกใจไปไปคิดอยู่หลายตลกทีเดียวครับแต่วันนี้ผมคิดว่าอาการตกใจผมหายไปผมเริ่มซาบซึ้งต่อความไม่เอาอะไรเลย วันสอวันนี้รถซึ่งโปโลโปเกงผมไปเครื่องเสียอยู่กลางถนนใหญ่ในชั่วโมงที่ทัฟฟิกยมเต็มที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ชวนร้อนรุ่มมา ก, ก น, นะครับเพราะรถข้าขงหลังมันบีบแตรไล่แล้วผมไปคนเดียวด้วยหม้ อ, อ น, น้ำมันรั่วแล้วก็ไอคอนเซ็ตมันระเบิดขึ้นมาควันขมุ่งรถข้างหลังก็หลบกันเป็นแถวผมก็ทำท่าจะตกใจเหมือนกันครับเพราะไม่รู้จะทําไงแต่ในสุนมันนั่งเฉย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 มันหนักอยู่ในครองของความรับรู้ดูเหมือนว่าอินทรียศาสตร์ของเราเข้าไปติดข่ายอะไรบางสิ่งคือปัญหาที่หนักก็คือปัญหาที่เราปลงไม่ตกดังนั้นปัญหาธรรมชาติปัญหาจะงมีอยู่สองชั้นปัญหาด้านนอกซึ่งเป็นเหตุให้เราคุ้นคิดอยู่ด้านในแต่ถ้าข้างในดิ้นรนอยู่ขุขักอยู่ติดตาข่ายของความคิดยุ่งอยู่ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาท้านนอกเราจะน้อยลงดังนั้นผมว่าเป็นความฉลาดที่ไม่เอาอะไรเลยด้านไหนแล้วเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วก็เริ่มจ่ายตรองที่จะแก้ปัญหาอย่างมีลำดับและมีระเบียบนี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นครับ 4,000 กว่าปีมาแล้วนะครับที่ศาสนธรรมได้ก่อร่างสร้างกันอย่างเป็นรูปร่างขึ้นมาให้เรารับทราบในทุกวันนี้ มีเรื่องชวนประหลาดใจตรงที่ว่าพระศาสดาผู้รู้แจ้งได้เสด็จมาสู่โลกนี้เป็นช่วงๆราวกับมีหมายกำหนดการไว้ยังไงอย่างนั้นผู้ศรีห้าพันปีที่แล้วมานั้นประวัติศาสตร์ของอินเดียได้บันทึกหรือรับรู้กันว่าพระกฤษณะเป็นองค์ศาสดาที่ประชาชนรักใคร่นับถือมากที่สุดทรงถือกาเนิดที่เมืองมุตรา ศูนย์กลางของฮินดูหลักคำสอนคริสตานั้นก็คือหลักที่ในทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่อีกห้ารอยปีถัดมาพระพุทธเจ้าที่ชื่อสักยมุนีก็ปรากฏขึ้นอีก5้ารปีก็ถึงยุคสมัยของพระเยซูพระเยซูครส อีกห้าร้อยปีพระนบีมวฮัมมัดก็เสด็จมาและอีกห้าร้อยปีนานักครุเทพของศาสนาซิกซ์ช่วงสุดท้ายนี้ก็อีกสี่ห้าร้อยปีนะครับและใ น, นช่วงนี้จึงมีผู้ประกาศตนเป็นพระศรีอารยาเมตรยัยหรือแสดงท่าทีเป็นผู้นำศาสนามากซึ่งเรารู้กันดีนะครับว่าเป็นผมคิด่เป็นช่วงวิกฤตของศรัทธาด้วย มีผู้เปรียบเทียบว่าช่วง500ปีของการปรากฏกายขึ้นของาศาสดานั้นคล้ายๆระบบก่อกำเนิดของสุริยะระบบสุริยจักรวาลจะมีเป็นช่วงจังหวะจังหวะพอดีถ้ามองแง่นี้ดูเป็นเรื่องประหลาดแต่ถ้าเราไม่มองแง่นี้ก็แล้วไปครับมันไม่ได้สำคัญตรงความแปลกประหลาดที่าศาสดาเสด็จมาในช่วง500ปีแต่ความสาคัญอยู่ตรงที่ว่า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 เป็นไว้เอ่อมันขึ้นถึนงความเฉลียวฉลาดของคนที่อยู่ใกล้เราด้วยรวมไปถึงความเฉลียวฉลาดของเราในการซ่อนเร้นปัญหาของเราไว้แต่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามีปัญหามีคนน้อยคนมากครับที่กล่าประกาศว่าฉันไม่มีปัญหาเลยแล้วถ้าใครสักคนหนึ่งคืนประกาศอย่างนั้นเขาเป็นคนที่น่าสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโดยหลักธรรมในพุทธศาสนาแล้วคนทุกคนครับ ต้องถือว่าวิปลาสพุทธศาสนาชาวบ้านก็หมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นบ้าทั้งนั้นครับนี่หลักหลักธรรมในพุทธศาสนาครับแม้แต่พระโสดาบันพระรยบุคลชั้นต้นนี้ยังถือไม่สิ้นวิปลาสพูดด้วยภาษาชาวบ้านนะครับพระโสดาบันจนอนาคามียังถือยังอยู่ในเกณฑ์บ้า มีบุคคลปเภทเดียวโดยหลักทําในพุทธศาสนาว่าเป็นผู้หายบ้าหายวิปลาจริงคือที่เราเรียกว่าพระอาหารหันต์ขีณาศพดังนั้นโดยหลักเกณฑ์นนี้ทำให้เราสำรวจตรวจสอบว่าตอบได้ที่จิตใจของเรายังมีความทุกข์มีความเร่าร้อนอยู่ภารกิจในการเดินทางในการปฏิบัติของเรายังมีอยู่ทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์ชี้ให้เราเห็นว่า ความประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ศาสนธรรมที่ตกมาถึงมือของเราในทุกวันนี้นะครับได้ผ่านกระบวนการทางสังคมมาแล้วทั้งสิ้นกระบวนการทางสังคมนั้นประกอบไปด้วยสงครามภัยพิบัติวัฒนกรรมต่างๆนานาจนกล่าวได้ว่าสิ่งที่เรารับรู้ต่อคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นเพียงศาสนาของประชาชนศา ส, สนาในความรู้สึกนึกคิดของเรา ผมพูดสังเกตว่าเป็นป๊อปวิล่าศาสนาปอ๊อปคือศาสนาในความรู้สึกนึกคิดของเราเองดังนั้นศา ส, สนาในความรู้สึกนึกคิดของเราเองอาจจะไม่ตรงตามที่พระเจ้าท่านสอนเลยก็ได้นะครับนี่คือข้อเท็จจริ ง, งอีกประการหนึ่งนั้น เ, เล่าเพศละไวยจะเป็นตัวบอกว่าเราเข้าใจศาสนาตามระดับของเพศละไวยถ้าเราเป็นครื้นหัดเป็นชาวบ้าน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 ศึกษาคําแนะนำสั่งสอนของผู้เจ้ารวมทั้งอาจารย์โบราณอาจารย์อัตถกาถาจารย์ที่พยายามที่สร้างสารรค์ผลงานไว้ในอดีตนี่ถือเป็นคันธุระเป็นหนึ่งในสองของธุระในพุทธศาสนาอันที่สองคือวิปัสนาธุระคือธุระในเรื่องของการเจริญวิปัสนาคอคํานี้ฟังดาษฟังแล้วก็ชวนหลับ เนื่องจากการเวลาและเนื่องจากความแปลเปลี่ยนของศัพท์ความหมายผมชอบที่ใช้คำวิทัศนามากกว่าครับจริงวมิภาษนาเป็นบาลีวิทัศนาเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าการเห็นแจ้งประจักษ์ดังนั้นเรามีธุระที่สำคัญในชีวิตที่ในฐานะบรรชาพุทธ น, นะครับไม่เพียงแต่ธุระเรื่องธมะหากินธุระเรื่องเลี้ยงลูก ส่งเสียให้ลูกได้เราเรียนจัดการแต่งงานให้หางานให้หรืออะไรสารพัดสารเเธุร a g ในการสงเคราะห์เครือญาติแต่ธุระที่สำคัญมากในฐานะเป็นชาวพุทธนะครับก็คือวิปัสนาธุระที่เราศึกษามากขึ้นเราไปฟังธรรมหรือเรามีครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิเมื่อเราฟังเรื่องวิปัสนาแล้วเราจะเห็นความพิสดาร ล, ล้าลึกของศาสตร์ ที่เรียกวิทยทัศนาหรือวิปัสนานี้จนบางครั้งเราทอแท้ไปเลยก็มีครับเพราะมีการเข้าชานหนึ่งานสองานสามมีมีเรื่องฤทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องอพิญญาศึกษาเข้าในสุดลรงงเหมือนกันครับนักเข้าเ่าข้าศาสนธรรมเลยกลายมันอะไรบางสิ่งซึ่งดีเลิศแต่ฉันไม่อยากยุ่งด้วยมันดีเกินไปก็ได้ครับดังนั้นคนทั่วไปจึงยึดถือศาสนธรรมในแง่ของวัฒนธรรม เราแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเรามีพิธีกรรมแบบชาวพุทธแต่เราไม่เจริญวิปัสนาตรงนี้เป็นภาวะที่แปลกมากครับทั้งๆนีความหมายจริงๆของชาวพุทธคือผู้ที่เจริญวิปัสนาคือผู้ที่ต้องเห็นแจ้งพระจักต่อธาตุต่อขันต่ออายฐานะอะไรสารพัดเพราะว่าศาสนาของประชาชนนะครับไม่ว่าเป็นศาสนาคริสต์มุสลิมอิสลามหรือพุทธหรือซิก หรือศาสนายุคโบราณซึ่งตายจากไปแล้วนั้นโดยรูปแบบวัฒนธรรมเารสอนเหมือนๆกันทั้งนั้นครับซึ่งเรารู้กันดีสอนไมใ่ให้คนทำชั่วสอนไม่ให้ทำบาปสอนไม่ให้เบียดเบียนและสอนให้ทําความดีซึ่งนี้เหมือนกันถ้าเช่นนั้นพุทธศาสนามีความหมายอะไรยังมีปรากฏการในต่างประเทศนะครับเช่นประเทศที่บูชาเสรีภาพเป็นหลักอย่างอเมริกานในโรงเรียนเข้าไปสอน ศาสนาหนึ 1, ่งศาสนาใดแต่เขาสอนศาสนาของประชาชนศาสนาที่สังเคราะห์ขึ้นจากความรู้ด้านจิตวิทยาความรู้จากนักประสตร์และเอามาสอนนั่นคือเขาไว่ได้สัมพันธ์การสอนศาสนาธรรมไม่ได้ทำการตรัสรู้หรือการเห็นแจ้งอย่างของเราชาวพุทธทุกคนจะผูกพันกันกันกบ เ, เหตุการณ์คืนสําคัญที่สุดที่ใต้ต้นโพ ของเจ้าชายพระองค์หนึ่งเพราะถ้าไม่มีคนคนนี้เราคงไม่ได้พบกันในห้องนี้นะแล้ไม่มีเรื่องอะไรต้องมาพูดกันด้วยก่อมาพูดที่อื่นพบคนที่อื่นฉันั้นพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นในอินเดียจากการตรัสรู้ของพระมหาบุรุษหนึ่งในคืนที่สำคัญที่สุดคืนหนึ่งพูดอย่างนี้ก็หมายว่าเราเพ่งเล็งไปสู่แหล่งกาเนิดของศาสนา ที่จริงนั้นพุทธศาสนาในครั้งอดีตเริ่มต้นขึ้นในอินเดียตอนเหนือพุทธศาสนาเป็นศาสนาเล็กๆอย่าคขาใจผิดนะครับในทุกวันนี้เราเห็นพุทธศาสนาแพร่ไปทั่วโลกแล้วผู้จ้องเรายิ่งใหญ่ฝรั่งมังค่าฮันมาบวชมาศึกษาปฏิบัติแต่ครั้งของการก่อกําเนิดจริงๆนั้นพุทธศาสนาศา ส, สนาเล็กๆศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจําท้องถิ่นในรัฐพิหารนะครับหลังจากคืนดับสรูแล้วก็ ผู้เจ้าก็เริ่มเผยแผ่สิ่งที่ท่านเห็นแจ้งสิ่งที่ท่านเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นในพระทยว่าข่าวสารอันนี้จะถึงหูเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมชีวิตและจะเกิดความสุขสวัสดีแก่เขาผมถามจริงได้ไหมครับว่าผล้องการเป็นชาวพุทธของเรานั้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงหรือเปล่านี่เป็นคาถามที่อาจจะเคร่งเครดจริงผมอยากจะถามสส อยากจะถามรัฐมนตรีอยากจะถามผู้นำทั้งหลายว่าคุณกล้าปฏิญาตตัวเป็นผู้นำของผู้คนนะคุณเชื่อมั่นจากอะไรจากสมองอันชาญฉลาดนั่นคุณหรือคุณมีข่าวอันประเสริฐ ท, ที่จะบอกเพื่อนมนุษย์สมมุติว่าเราพบเพื่อนมนุษย์เมือม่อเราไม่มีธุละปะปังอะไรเลยเราไม่ต้องการอะไรจากเขาถ้าเราอยากจะสื่ออะไรเราอยากจะบอกอะไรเขานะครับ หรือเรามีลูกเราอยากจะบอกอะไรมากที่สุดให้ลูกรับทราบอย่างดีที่สุดของเราพูณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอยากให้ลูกรู้ว่าพ่อลักเธอนะเท่านี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐที่สุดนั้นเราเห็นได้ชัดว่าในวันที่พระสาวกหกสิบรูปนะครับซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้เข้าถึง ในระดับสูงสุดเช่นเดียวกับที่พระเจ้าเข้าถึงครั้งนั้นเองที่ท่านสั่งพระสาวกให้ออกจากริษไปทุกมุมโลกแยกย้ายมันอย่าซ้ําทางกันคืทางหนึ่งต้องหนึ่งคนเพื่อประหยัดคนที่สุดนะครับเพื่อกระจายข่าวสารนั้นสำคัญนี้ข่าวสารสาคัญนี้ครับซึ่งพระองค์ท่านได้รับมาในคืนเพนเดือนหวิสาขบูชานะครับวันวิสาขานั้น ข่าวสารนั้นเกิดขึ้นอย่างประจักษ์ชัดต่อท่านเนื่อท่านถึงที่สุดของวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ในตัวท่านและด้วยความมั่นพระทัยนั้นนครับที่ทำให้ข่าวสารนั้นแพร่กระจายไปจนจราบถึงวันนี้แต่คำถามผมก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรครับท่านไปเห็นอะไรดีจนกระทั่งเกิดการจาลิกไปทั่วทุกแห่ง จงทั่งลมหมายใจสุดท้ายเรายังพร่ำเตือนให้เราไม่ประมาทอีกนะศูนย์กลางคำสอนของพระเจ้านั้นนะครับเราทราบกันดีว่าอยู่ที่การเจริญสติปัฏฐานแต่โครงสร้างลมลมคำส อ, องท่านมากมายก่ายกองจะเราเ 8, 000, 000, รียกว่าแ4ด0มื่นี่พันพธรรมขันเรียนก็ไม่หวาดไม่ไหวนะครับทีนี้ผมจะนำเข้าสู่การวิเคราะห์ว่า ในคืนใต้ต้นโพคืนนั้นนั่นนะครับอะไรเกิดขึ้นกับท่านที่เปลี่ยนแปลงท่านจากความเป็นเจ้าชายนักพรตซึ่งอดีตเป็นเจ้าชายเล่ร่อนเมื่อกลางเดือนที่แล้วของบรรยายในเรื่องของเจ้าชายศิทธะในฐานะของนักบวชหรืออีกชื่อหนึ่งเรื่องสักยมุนีนั้นเข้าสู่ทางสายกลางด้วยประสบการณ์ทางดนตรี ผู้ที่เคยฟังแล้วคงจําได้แต่ผู้ไม่เคยฟังอาจาฟังแปลกตรงที่ว่าท่านทรมานตนจนถึงที่สุดจนเกิดความรับทราบว่าไม่มีใครทรมานได้มากกว่านี้อีกแล้วท่านในนั้นประสบการณ์อันจัดเจนของท่านในเรื่องการเล่นเครื่องสายดนตรีได้ได้ฟ้องตัวเองขึ้นมาประสบการณ์เก่าของท่านที่เคยเชี่ยวชาญชํานาญในดนตรีนั้นบอกท่านว่าดนตรีที่ ขึ้นสายตึงเกินไปนั้นมันจะไม่เพลาะจะหย่อนเกินไปนั้นไม่เพลอะดังนั้นสายดนตรีที่ขึงพอดิษบพอดีเท่านั้นเสียงจึงกังวานและไพเราะสนโอหูดีผู้เป็นนักดนตรีจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าประสบการณ์นั้นฟ้องขึ้นมานั้นทําให้ท่านเตือนสติท่านในสุดท่านเริ่มกินอาหารเริ่มเข้าสู่ทางกลางๆงทางกลางๆงนี่แหละครับที่ทําให้ เกิดหลักคําสอนที่เรียกอริมักมีองแปดนั้นผมจึงกล้ากล่าวได้ว่าพุทธเจ้าเข้าสู่วิถีทางธรรมนะครับวิถีทางของมัชเชนธรรมหรือทางสายกลางด้วยประสบการณ์ทางดนตรีแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ดนตรีล้วนๆโดยมีเรื่องอื่นนะหมายความว่าสิ่งนั้นได้เป็นบาดฐานทีนี้เมื่อท่านเ่ําในลัญฉลาแล้วนะครับมานั่งที่ใต้ต้นโพนั้นะ ในช่วงหัวค่ำนั้นท่านไปจนมารเราทราบดีผมเล่าทบทวนพระรูวัดจากชีวิตของความเป็นเจ้าชายจนมาถึงใต้ทั้นโพ น, น, น, น, นะนั้นนะครับแล้วใกล้ลุ่งใกล้สว่างคืนนั้นนะครับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเข้าถึงอะไรบางสิ่งซึ่งเกินกว่าที่จะพูดออกมาต่อจากนั้นพระอริบทแรกก็คือการลุกขึ้นเดินจงกรม แต่การเดินครั้งสุดท้ายนี้ไม่เหมือนการเดินครั้งก่อนๆเพราะอริบทก่อนหน้านี้ไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนของอดีตเจ้าชายนั้นท่านยังไม่รู้ครับท่านยังไม่ใช่ผู้เจ้าท่านเดินด้วยความไม่รู้นั่งด้วยความไม่รู้ส้อนกนอื่นด้วยความไม่แน่ใจแต่ว่าอริบทครั้งล่าสุดของการเดินจงกรมที่อินเดียที่พุทธคยาที่ถานที่สักรู้เขาทาเป็นเครื่องหมายไว้นะฮะ เป็นดอกบวดวยมมีส4 9สี่เก้าเไม่เข้าใจเราทำไมสี่เก้าแต่เป็นสัญลักษณ์ของอิริบทแรกของพุทธะครั้งหลังนี้ท่านเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมดนะฮะต่อมาในพระสูตรบางแห่งบอกว่าเมื่อพราหมณ์นหนึ่งถามหลงท่านว่าพระองค์ปฏิบัติโลกุตรธรรมอย่างไรโลกุตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกนะรทูตเจ้าทรงตอบสั้นๆว่าพราหมณ์เอ่ยวันหนึ่งๆเรายืน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 จังหวะคำนี้เป็นการบริหารน้องคือเดินเล่นที่จริงคือเดินเล่นครับแต่เป็นการเดินที่รู้สึกตัวรุจาศนานิการเซนได้นำสิ่งนี้มาอธิบายอย่างเข้มข้นโดยสร้างศัพท์ภาษาญี่ปุ่นว่าจิกันตาซาเดินเพื่อเดินนั่งเพื่อนั่งยืนเพื่อยืนขอเราพิจารณาในชีวิตจมวันของเรานะครับว่าเราทุกคนนี่ยังมีความรู้สึกคล้ายๆคลึงกันนะครับต้องเียว่า เมื่อเราเห็นดาราภาพยนตร์หรือบุคคลที่เรารักมากเราก็ติดตามติดตามข่าวหรือว่าบางทีอยากจะติดตามเดินจริงๆตามหลังไปด้วยส้ำไปในครั้งอดีตพุทธการก็เหมือนกันกับเราครับมีพระฤๅษีคนคนหนึ่งชื่อวักกะลิเขาฟังพุะเจ้าแล้วก็ชอบในน้ำเสียงในอะไรสรักว่าติดอกติดใจแล้ว ก, ก็ติดตามไปเรยนักเข้านักข้ า, วขาวบวชเลยครับแต่ว่าบวชเพื่อจะได้ติดตาม ไปชื่นชมพระลูกฉอมน้ำเสียงอะไรทุกอย่างตอนในสุดด้วยความเฉลียวฉลาดและปรัชานาดีของพระพุทธองค์นะครับก็เอตโลจนทั้งเดี๋ยวนี้กลายเป็นสัตว์อัปเพหิวักะลิใครได้ยินมครัำว่าอัปเปหิแปลว่าไปให้คนนรือท่านทรงขับไล่ครับทั้งนี้เพื่อจะเตือนสำนึกท่านก็ตรัสพระพุทธพจน์ที่ลือลั่น โยธรรมังปสติโสมังปติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตดังนั้นธรรมะนั่นแหละคือตถาคตตัวท่านคือตัวธรรมะแต่ถ้าบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นย่อมเห็นตถาคตนั้นต่อให้เกาะชายจีวร อ, อยู่ร้อยปีก็ไม่รู้จักท่านท่านว่าอย่างนั้นนหมถ้าคํานี้มันด้วยคําที่ลึกซึ้งและแตเต็มไปด้วยปรารถนาดีแต่ว่าเล่นเอาเ พ, พระวกรักกลิ